ถ้าไม่รู้แจ้งในเรื่องของอปปปาติกะทั้งหมดยังรวมไปถึงอนุปุพภีกะถาคือการเทศนาเริ่มตั้งแต่ทานศีลสวรรค์โทษของกามและการออกไปจัดกรรมโดยลําดับเพราะคนส่วนใหญ่สนใจเรื่องพวกนี้นะครับการที่ไม่ยอมสอนปล่อยให้เรียนรู้กันเองหรือสอนกันผิ ด, ผดๆก็ทำให้คนส่วนใ ห, นนใหญ่งมงายนับถือเครื่องรางของขลงัง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 สำหรับคนที่ชอบพูดว่าพระไตรปิฎดกดมีการบิดเบือนหรือเสริมแต่งเติมไปนั้นพวกที่พูดอย่างเนี้ยหลายคนเลยนะครับที่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎดกดเลยด้วยซ้ําหรืออ่านก็อ่านไม่จบแต่ก็กล้าวิจารณ์ว่าพระไตรปิฎดกดเชื่อถือไม่ได้อ้างว่าเวลาผ่านมาหลายร้อยปีจํำกันได้ยังไงสืบต่อมาไม่คล้ายเคลื่อนหรือไงบุคคลประเภทเนี้ยเป็นประเภทที่เอาสมมติสำนึกของตัวเองเป็นแกนของโลกนะคือตัวเองโง่ก็คิดว่าคนอื่นจะโง่ไปด้วย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 ที่เห็นเป็นทองจะตายไอคิดที่วิู้คนอาจเคยลอใจแยสับสนกับัห